คนที่ตายโดยอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายมีอนาคตอย่างไรคำถามจากอาจารย์สิริพุทธสุขผู้แปลหนังสือหลายเล่มที่เป็นการติดต่อทางวิญญาณของต่างชาตินะครับสำหรับนามสกุลของท่านนั้นปรากฏในหนังสือช่วงแรกมายาวนานว่าพุทธสุขแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นพุทธสุขซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการพิมพ์ผิดหรือเป็นการเปลี่ยนนามสกุลนะครับ ถามตามที่ผมได้แปลนหนังสือโลกทิพย์และหนังสืออื่นๆ อ, อีกหลายเล่มมักจะปรากฏว่าคนที่ตายไปแล้วจะต้องมีคนมารับเสมอซึ่งหมายถึงพวกโอปปาติกะดด้วยกันมารับแต่จากข้อเท็จจริงตามที่รู้กันอยู่ทั่วไปนั้นปรากฏว่าคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุเช่นถูกรถชนตายอย่างนี้เป็นต้นมักจะปรากฏว่าผู้นั้นก็ยังอยู่ที่นั่นไม่ไปไหน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 เช่นผูกคอตายกินยาตายหรือยิงตัวเองตายก็มาจะปรากฏเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันคือพวกโอปะปะติกะเหล่านี้มักจะแสดงให้รู้ว่าตนเองยังอยู่ที่นั่นยังไม่เป็นไหนเหมือนกันพ่อฤาษีสรายกัสซึ่งเป็นโอปปาติกะที่ติดต่อได้ในครั้งนี้ได้ตอบว่าในกรณีของคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุนั้น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 จิตใจก็อันเดิมและอย่างนี้จะเรียกว่าฉันเป็นคนตายมันเป็นไปไม่ได้บางคนก็ถึงกับต้องร้องออกมาด้วยความทรมานว่าทนไม่ไหวแล้วทำไมไม่ตายเสียทีและบางคนก็บอกว่าเขาหาว่าฉันตายมันน่าคําสิละเกินคนตายพูดได้อย่างนี้เป็นต้น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 เป็นผลสืบเนื่องมาจากมิจฉาทิฏฐิที่ได้ยึดถือเอาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์คือพวกนี้มีความเห็นว่าคนเราตายแล้วก็ศูนย์อันหนึง่งท่านควรจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าร่างกายของโอปปปาติกาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของวิญญาณหรืออำนาจของจิตคือเกิดจากอวิชชา ตัณหาอุปาทานและจากวิบากของกรรมลุ่นล้วนเพราะฉะนั้นในเมื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานยังอยู่ในรูปเดิมโดยอํานาจแห่งวิบาสของกรรมก็จะทําให้สภาพของร่างกายออกมาในรูปเดิมพวกโอปปปาติกะเหล่านี้ไม่เคยรู้ความจริงเหล่านี้มาก่อนหรือถึงแม้บางคนจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง แต่ก็ไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อตายมาแล้วจึงได้มีความหลงผิดและท่านควรจะทราบถึงความจริงอีกข้อหนึ่งว่าความคิดหรือความเข้าใจของพวกโอปปาติกะเปลี่ยนแปลงยากมากคล้ายกับคนแก่ที่สมองเสื่อมแล้วรับความคิดใหม่ๆไม่ได้ตัวเองเคยมีความคิดเห็นอย่างไร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 หมายเหตุ e ผู้อ่านในเรื่องของคนตายที่ต้องวนเวียนอยู่ในที่เดิมไปไหนไม่ได้นั้นให้สังเกตนะครับว่า <te am> เกิดจากความยึดติดและผูกพันหรือยังปล่อยวางทั้งโลกไม่ได้ <t ans> ผู้ป่วยติดเตียงจํานวนมากก็อาจอยู่ในภาวะที่คล้ายกัน <t ans> <c oughs> คือความยึดมั่นแห่งจิตและความผูกพันเหนียวแน่นบางอย่าง <t ans> ทั้งที่ควรจะไปสบายควรจะไปสวรรค์หรือได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ความยึดติดที่รุนแรงนั้นก็ทําให้ยังไปไม่ได้และก็ต้องอยู่ในสภาพทรมานทั้งตัวเองและญาติพี่น้องสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะ ก, กันมานานและไม่พูดกันมาเป็นสิบปีเมื่อฝ่ายสามีป่วดติดเตียงอยู่ในสภาพที่ควรจะไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่จากไปสักทีจนเมื่อฝ่ายภรรยาให้อภัยมาจับมืออโหสิกรรมให้นั้นก็จากไปอย่างสงบทันทีและไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะครับ แม้แต่น้องหมาซึ่งเจ้าของไปอยู่ต่างประเทศป่วยหนักในสภาพที่หมอก็บอกว่าไม่กี่วันก็ต้องไปแล้วแต่ก็อยู่มาได้หลายเดือนในสภาพกับร่างกายผอมแห้งน่าสังเวชมากก็ได้แต่สงสัยกันว่าทำไมไม่ไปสัทีจนมาจุกคลิปได้ว่าอาจจะคิดถึงเจ้าของหรืออยากลาเจ้าของก่อนทางญาติจึงบอกให้เจ้าของซึ่งอยู่เมืองนอกวิดีโอคอลมาคุยเพื่อได้สั่งลากัน หลังจากได้เห็นหน้าได้ฟังเสียงเจ้าของแล้วก็จากไปอย่างสงบในคืนนั้นนั่นเองจะเห็นได้ว่าความทุกข์จากความยึดติดผูกพันนั้นส่งผลเสียทั้งในโลกนี้และส่งผลร้ายแรงถึงโลกหน้าหรือชีวิตหลังความตายจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรฝึกควรศึกษาทําให้เข้าใจตั้งแต่ยังมีชีวิตตั้งแต่สมองและร่างกายยังดีซึ่งจะมีผลทาให้ตัดใจเรื่องทางโลกได้ง่ายขึ้น และจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานเกินจำเป็นในช่วงจะต้องเปลี่ยนภพภูมิใหม่หรือแม้ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ตามนะครับธรรมะที่ถูกต้องเท่านั้นที่ดับทุกข์ทางใจได้เพื่อการปล่อยวางได้ในที่สุดธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดการให้ธรรมะจึงชนะการให้ทั้งปวงจึงควรใส่ใจศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมให้มากนะครับ